โรคโลคคืออะไรโลกก็คือหมูสัตว์ชราพยาธิเข้าไปใกล้มันยั่งยืนชราพยาธิมาแลนะโลกก็คือหมูสัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าใคร จำจะได้ทิ้งซากไว้ในแผ่นดินโลกคือหมูสัตว์บกพล่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาความเยยทะยานอยากของสัตว์ทั้งหลายไม่มีกลงางวันกลางคืน แต่ก็ไม่สมประสงค์โลกอันนี้เป็นโลกที่ไม่สมประสงค์ไม่มีใครประสงค์เลยมีแต่พระอรหันต์จำพวกเดียวสมประสงค์ไปแล้วพวกเรายังบกพร่องอยู่ไม่สมประสงค์ก็ยังไม่ไปเพราะไม่มีที่ไป ถ้าไปยังไม่ได้เพราะบุญยังไม่พอเพราะแก้ความหลงยังไม่ได้ก็ไปไม่เป็นเพราะยังมืดบอดอยู่แก้แก้ความหลงได้ก็ไปได้ละ่ะโฮกระบือ ร่อมรั่วไว้มันก็ฟังบ้ารั่วของมนุษย์ก็คือศีลธรรมเท่านั้นถ้าไม่มีศีลธรรมก็ร่อมไม่อยู่อีกเหมือนกันศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ชาติศาสนาคำว่าศาสนาเป็นคำกลางชาติพุทธศา ส, าสนาชาวไทยคือศาสนาพุทธพระมหากษัตรประชาช น, นในไตโลกชาติ นำ อ, อาศัยซึ่งกันและกันจะเว้นกันไม่ได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าป่วยพึ่งหมอเดินทางไกลพึ่งผู้ขับรถและขับเรือแต่ก็ไม่สนิทหวังพึ่งตนจะไม่จนง ม, มง่าย หวังพึ่งผู้อื่นก็สมประสงค์บ้างไม่สมประสงค์บ้างถึงอย่างไรก็ได้พึ่งกันและกันอยู่นั่นเองข้าวที่เรากินก็ชาวนาเป็นผู้ปลูกโรงสีเป็นผู้สีพ่อค้าเป็นผู้ข้าขายคนเราจำต้องพึ่งกันและกันอย่างนี้เราคนเดียว เป็นวัดก็ไม่ได้ต้องมีภิกษุษสามเณรอยู่ด้วยเราคนเดียวก็รักษาครอบครัวไม่ไหวเราคนเดียวเป็นหมู่บ้านไม่ได้เราคนเดียวเป็นตำบลไม่ได้เราคนเดียวเป็นอำเภอไม่ได้เราคนเดียวเป็นจังหวัดไม่ได้ เราเป็นคนเราคนเดียวเป็นพระนครหลวงไม่ได้เราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้เพราะต่างก็ได้อาศัยซึ่งกันและกันอยู่อยู่ร่วมโลกอยู่ร่วมโลกก็ต้อง หนักไปทางสามัคคีอ้อสมมุติเราลังเกียจกันฆ่ารัฐบาลให้ตายหมดเราจะได้อะไรก็ไม่มีสิ่งที่ได้ฆ่าประชาชนให้ตายหมดเราก็ไม่มีสิ่งที่ได้ฆ่าทหารให้ตายหมดก็ไม่มีสิ่งที่ได้ ก็พระเพราะประเทศอื่นเขาก็มาเอาเท่านั้นโลกตายหมดเหลือแต่เราคนเดียวเราก็ไม่อยู่นั่นไม่มีที่อาศัยเหตุฉะนั้นคนเราจึงได้อาศัยกันและกันเรื่องที่มันผิดมันก็เป็นครูเพื่อจะให้เราจําไว้เรื่องถูกแล้วก็เป็นครูเพื่อเราจะได้พยายามปฏิบัติ เมตตันจะสัพพโลกะสมิงมาสัมภาวยเยอปริมารังพระบรมศาสสดาสอนให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาตนก่อนอหังสุขิโตโหมิเพราะเราจมเป็นสุขเอาโรโหมิเพราะเราอย่าได้มีเวบเนัยและอย่าได้มีโรคเบียดเบียนเราได้มีความป่วยไข้ จงรักษาตนให้พ้นจากกองทุกข์อยู่ทุกเมื่อคราวใดโลกอนละมานคราวนั้นโลกห่างเหินจากศีลธรรมมีเมตตากรุณาเป็นต้นเหตุฉะนั้นศีลจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิอย่างกลางปัญญาอย่างละเอียดพระบรมศาสตร า, ศ า, ศา ทรงเมตตากรุณาโรคทุกๆพระองค์จึงสร้างบรารมีมาเพื่อขนลือสัตว์ออกจากวัฏสงสารจะได้สมประสงหรือไม่สมประสงก็ยังดีกว่าไม่มีมาลือแต่ละพบแต่ละชาติแต่ละพระองค์ก็ได้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนขนโคก็มาไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเมตตาแผ่เมตตา จนถึงทั่วทั้งใจโลกธาตุโยนิสีทุกทวนหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเธอสุขในพุทธธรรมสงฆ์มันเป็นสุขไม่ถอยหลังคือสุขในพระโวสดาวันสุขในสกทาคามีสุขในพระอนาคามีสุขในพระอรหันต์ถ้าสุขในทางโลเกียมเป็นสุขถอยหลังสุขในทางโลกุตระจึงเป็นสุขไม่ถอยหลัง สุขในพุทธธรรมสงฆ์เป็นสุขในโลภุตระสุขในทางโลกีเป็นสุขในทางโลกีถ้าสุขในพุทธธรรมสงฆ์แล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติหากเป็นเครื่องดึงดูดมาเองเมตตาเป็นคู่กับปานาติบาตและพวกก็เป็นคู่กับอัจฉริยทานด้วยแล้วก็เป็นคู่กับ การมีสมุจชาจารย์ด้วยถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งสอนชาวโลกมันก็เท่ากับนอนล้มถ่านเพลิงชาวโลกถึงอย่างนั้นมันก็นอนล้มถ่านเพลิงเพิงแก่เพลิงเจ็บเพิงตายเพิงโรคเพิงโกรธเพิงหลงเขาผ่านอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา เคยทรมานมาจนชินแล้วก็พากันอยู่ไปเฉยๆอยู่ได้ความจาเป็นอยู่ในโลกอันนี้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ก็อยู่ได้ความจำเป็นไม่ได้อยู่แบบลืมตัวไม่ได้อยู่เพื่อจะกินกินพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อจะนั่งนั่งพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อจะนอนนอนพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงชีวิตพอได้อยู่ เพราะได้พ้นทุกข์แปลว่าซาสงสารมัตตะแปลว่าหมุนเวียนหมุนเวียนอยู่ในเกิดหมุนเวียนอยู่ในแก่หมุนเวียนอยู่ในเก็บหมุนเวียนอยู่ในตายหมุนเวียนอยู่ในความไม่สมประสงค์หายใจเข้าข้างหนึ่งเขบแปดหมืนชีมาขันแล้วหายใจออกข้างหนึ่งก็ครบแปดหมืนีมคขันอีกก็มีทั้งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็มี ทั้งเกิดแก่เก็บตายก็มีทั้งทำอันไม่เกิดแก่เก็บตายด้วยก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาด้วยก็มีทั้ง ส, สติสัมปชัญญะด้วยพระลลึกลมหายใจเข้าออกได้พระรู้ตัวในลมหายใจเข้าออกพูดไปมากก็มากออกจากกาถ้าย่นลงมาเข้าย่นลงมาหายใจคนจะมีกี่ ล, ล้านก็าตาม ก็มีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนแต่คลายสัตว์ทั้งหลายที่มีวิญญาณครองสิงอยู่ในใจโลกธาตุจะมีมากสักเพียงใดก็ตามก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นรูปคือดินน้ำไฟลมมารวมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขา ร, รวิญญาณรวมเข้าเป็นก็คนามเรียกว่านามธรรมา เรียกว่านา ม, มาโลกเรียกว่านา ม, มาโูกเรียกว่านา ม, มาทามีหน้าที่เกิดแค่เรียกว่าแปรปวนแั้วแต่สลายห่าระหว่างไม่ได้จะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับท่านผูร้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ทาทั้งหลายเป็นจริงอยู่แล้วเป็นหนี้ตนเองจึงได้มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารใช่นี่ยังไม่หมดเมื่อหันท่านใช่นี่ท่านหมดแล้ว ถ้าเรข้ามความหลงไปสัแต่พวกเรายังหลงอยู่ก็ข <T> ้ามยังไม่ได้ข้ามความเกิดด้วยความไม่ยินดีในความเกิดข้ามความแก่ด้วยความไม่ยินดีในความแก่ข้ามความเก็บด้วยความไม่ยินดีในความเก็บข้ามความตายด้วยความไม่ยินดีในความตายข้ามโรคโกรธหลงด้วยความไม่ยินดีในโรคโกรธหลง ข้ามทุกด้วยความไม่ยินดีในทุกข้ามรูปด้วยความไม่ยินดีในรูปข้ามเวทนาด้วยความไม่ยินดีในเวทนาคุกแก่คุกเก็บคุกตายสัตว์ทั้งหลายมาติดคุกอยู่ยังออกจากคุกไม่ได้คุกโลภคุกโกรธคุกหลงท่านจึงสอนให้มีหนทางออกให้มีศีลมีธรรมมีทานวัตรศีลวัตรภาวนาวัต นอกจากทานศีลภาวนาพุธทธธรรมสงแล้วไม่มีหนทางจะออกมีแต่เพิ่มโลภเพิ่มโกรธเพิ่มหลงขึ้นบวกขึ้นทวีที่ดวงใจถ้ามีทานวัดศีลวัดภาวนาวัดพุธทธธรรมสงอยู่ในคิดในใจแล้วคิตใจก็นับวันจะสว่างสวยขึ้นอารมณ์ของเราหนักไปทางกุศลพลบุญก็ไม่ใช่ว่า การสร้างวญของเราจะอยู่ตามเดิมมันก็เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันคนภาวนาอยู่ทุกวันทุกวันคนทำบุญอยู่ทุกวันทุกวันบุญไม่ได้อยู่อยู่เท่าเก่ามันก็เพิ่มขึ้นอีกคนผู้ทำบาปอยู่ทุกวันทุกวันก็ตรงกันข้ามบาปก็เพิ่มขึ้นในโลกในโลกขอใจทำดีก็มาบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็มาบวกชั่วยอยู่ที่ใจไม่มีใครบวกมันก็บวกมันเองไม่ต้องลาบาก ใจมาปกครองมาปกครองดินน้ำไฟลมมาปกครองสังขารให้อยู่ในอำนาจวาสนาของตนมันก็ไม่อยู่ซะปกครองไม่ให้แก่มันก็แก่ปกครองไม่ให้เก็บมันก็เก็บปกครองไม่ให้ตายมันก็ตายจากเจ้าวสายใบเที่ยงไปปกครองไม่ให้บันเปื่ยเน่ามันก็เปื่อยก็เน่าเพราะล่างด้วยสบู่ พอเข้ากันได้อาบด้วยน้ำการอาบน้ำปฏิเสธไม่ได้การปฏิบัติจิตใจในธรรมะก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันเพราะร่างกายมันสกรปรกโฉมมุมมันเข้าในสังคมไม่ได้ถ้าไม่อาบน้ำถ้าไม่ชาระจิตใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะอยู่ที่จิตที่ใจก็เข้าสังคมไม่ได้อีกเหมือนกัน มองเห็นกันก็วิ่งกัดเหมือนหมา้าไมมีสิยงทมพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาของใครของมันที่ดวงใจ ด, กดใีก็อยู่ที่ดวงใจของใครของมันชั่วก็อยู่ที่ดวงใจของใครของมันเพราะใจเป็นผู้สร้างขึ้นสงสัยก็อยู่ที่ดวงใจไม่สงสัยก็อยู่ที่ดวงใจเพราะใจเป็นผู้สงสัยไม่สงสัยใจก็เป็นผู้ไม่สงสัยเกิดก็เห็นแล้ว แกก็เห็นแล้วเก็บก็เห็นแล้วตายก็เห็นแล้วไม่สมประสงค์ก็เห็นแล้วหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรที่สมประสงค์ไม <ES OL> <Meyer> ่มีถ้าว่ากินสมประสงค์มันหิวอีกซะถ้าว่านั่งสมประสงค์มันก็เหนื่อยถ้านอนว่านอนสมประสงค์มันก็เหนื่อยอีกถ้าเดินสมประสงค์มันก็เหนื่อยอีกไม่มีสิ่งที่สมประสงค์เลยตกลงก็เตย เลยตายคากันมิดาม า, าเรื่องเรามากองกัาๆนึกว่าจะได้พึ่งบุตรแต่พอใหญ่โตของฐานมาบ้างแล้วก็ต่างไปทำการทางานของใครของมันใครมาเกิดก็เอาเก่เอาเก็บเอาตายมาด้วยเอาโรคเอาโกรธเอาหลงมาด้วยไม่ได้มาเฉยๆแล้วก็มาจิกกันอยู่ในโลกอันนี้เวนสนองเวียน ภัยสนองภัยอยูน่นี่เหตุฉะนั้นจึงตั้งปานาติวาดอธินาการเมมุสาสุราไว้เพื่อปลดเวรปลดภัยเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องรละลึกเป็นอารมณ์อยู่ในใจทําดีไว้เป็นที่พึ่งของใจทําชั่วไว้เป็นที่เบียดเบียนใจถึงจะไม่เบียดเบียนมันก็เบียดเบียนเมื่อได้ลึกถึงเวลาไหนมันก็เดือดร้อนและลึกถึงความชั่วที่ตนทําแล้ว สิ่งไหนที่ทำแล้วด้วยกายวาจาใจเดือดร้อนสิ่งนั้นอย่าไปทำเถิดนั่นแหละคือตัวบุญนั่นแหละคือนั่นแหละคือตัวบาปไม่ใช่ตัวบุญสิ่งไหนที่ทำแล้วไมนเดือดร้อนสิ่งนั้นคือตัวบุญสิ่งไหนที่ทำแล้วมันเดือดร้อนสิ่งนั้นค ว, นนททวรวทำอีกเครื่องทดสอบมันมีเหมือนกันแต่จะทดสอบไปทุกอย่างก็ไม่ถูกปฏะทวัดเพื่อคนทุกข์ในวัตรสงสาร ต้องไปทางลับพิจารณาทุกขเป็นอารมณ์พ่อกับลมให้ใจเข้าออกพิจารณาอนิจจังเป็นอารมณ์พ่อขับลมให้ใจเข้าออกพิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์พ่อกับลมให้ใจเข้าออกพิจารณาเป็นเศรสักษต์ว่าดินน้ำไฟลมพ่อมกับลมให้ใจเข้าออกพิจารณาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาพ่อขับลมให้ใจเข้าออก สัพพโลกทั้งพวงรวมลงมาในอันนี้จะโลกอันนี้จะตาโลกทุกขตาโรกอนัตตาโลกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดทุกข์ก็สิ่งนั้นอยู่ไม่ได้อยู่ในองแขนของท่านผู้ใดใครจะมายืนยันว่าของกูสักเพียงไหนก็าตามมันก็ไม่อยู่ในอำนาจวาสนาณของตนและของท่านผู้อื่น นอนใจในวัฏฏ ะ, ะองศารก็คือนอนใจในความหลงของตนนั่นเองก็คือนอนใจในหลุนฐานเพลิงโรกกูดหลงนั่นเองก็คือนอนใจในทะเลแก่ทะเลเก็บทะเลตายทะเลหนียวทะเลยาสารพัดถามดูหรูตาหู ปึถ้าตื่นอย่างนี้เรียกว่าสติไม่ดีเสียงปึงตึงตื่นอย่างนี้สติไม่ดีเราสังเกตก็รู้จักใหนในเวลาเสียงปึงปึงปงัปงเราตื่นอย่างเนี้ย <laughs> เรียกว่าอยู่ห่างเหินจากภาวนาจิตใจของผู้ใดชอบตื่นสะดุง้งของตตูมๆตามๆตกลงมา เหมือนเนื้อสมังในป่ารถของเขาไม่เจริญสติของเขาไม่เจริญสมาธิของเขาไม่เจริญปัญญาของเขาไม่เจริญเสียิลรักษาแล้วมีอานิสงส์มาเดือดร้อนสมาธิเมื่อทำให้เกิดั้ามีแล้วตายและกิจก็ไม่ค่อยวันไหวปัญญาเมื่ออบลมให้ดีแล้ว ก็ค่อยจะหลงในสังขารทั้งพวงในโลกเธออย่านอนใจเดี๋ยวเธอจะเสียใจในภายหลังพระบรมศาสดารีบวิทย์นั่นไม่ได้ตื่นออขอรับขอสับขอรับขอสับ มองไปไหนก็เห็นจักกองทุกขผู้เห็นทุกขอยู่เนือ ง, องผู้นั่นจะไม่นอนใจในวัตจทรสงสารจะไม่ไห้ใจในวัตจารสงสารด้วยอันนี้จะสัญญาจงเป็นเห็นสิ่งของที่ไม่เที่ยงทุกขะสัญญาจงจําไว้สิ่งที่เป็นทุกขะอนัตตะสัญญาจงจําไว้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอสุภะสัญญา จงจำไว้ในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามคือสกลร่างกายอาทีนวสัญญาจงจำไว้ในร่างกายมันมีโทษมากมีทุกข์มากโทษแห่งอ า, าพาธต่างๆยอมตั้งอยู่ในกายนี้สภพพโรกเท่าพวงยอมตั้งอยู่ในกายนี้ประหารสัญญาความจำอันนี้จงละเสียซึ่งอกุศลระบารทม สิ่งที่ไหนเป็นบาปจงละซะสะพัสังขาเดสุอานิจจสัญญาอย่าไปยินดีในอานิจจังทั้งปวงจงรู้ตามเป็นจริงเถิดสะพัสโลเกอภิรตตาสัญญาเธอทั้งหลายอย่าเป็นยินดีในโรคทั้งปวงโรคตาโรคหูโรคจมูโลกโรคลิ้นโรค ก, กายโรคธรรมารมนี่เรียกว่า อัชชัตตาโลกโลกภายในโลกภายนอกมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโทษทัพพะมีธรรมารมนี่เป็นโลกภายนอกโลกภายนอกออกไปอีกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เทวโลกได้แก่ชะกามาพระสารหกชั้นพรมมโลกได้แก่ก ร, ร, แรูปประพรมสิบหกชั้นและอรูปประพรมสี่ชั้นโลกทั้งหลายนี้อยู่ใต้อํานาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแแจกสลายเธออย่ายินดีในโลกทั้งพวงพระบรมศานาจงรู้ตามเป็นจริงในโลกทั้งพวงซะโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันย่น ล, ลงมาที่นี่ อดีตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ล่วงไปแล้วคือโรคที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือกองทุกข์และโรคที่ยังไม่มาถึงและสังขารที่ยังไม่มาถึงก็มีความหมันเดียวกันปัจจุบันคือโรคที่กําลังเป็นอยู่คือสังขารที่กําลังเป็นอยู่คือกองทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นหละนั่นแหละคือตัวศีลนั่นแหละคือตัวสมาธินั่นแหละคือตัวปัญญานั่นแหละคือตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ปรมตื่นกันอยู่ถามมนุษหรโลกอันนี้มันเป็นของใครแต่ก่อนมันยืนยันว่ามันเป็นของใครมันไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นของใครและมันก็ไม่ปฏิเสธด้วยแต่จิตใจกิเยดตัณหาของพวกเราทั้งหลายมาจะถือเอาโลกเป็นสมบัติของตนแต่มันก็มาอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดเลย ร่วงไปร่วงไปร่วงไปร่วงไปมีหน้าที่ร่วงไปก็ร่วงไปร่วงไปอยากผึ่งภายเลยนั่งมีหน้าที่แก่ก็แก่ร่วงไปอยากผึ่งภายมีหน้าที่เก็บก็เก็บไปปวดไปมีหน้าที่ตายก็ตายจากเข้าสายบายเที่ยงเธอทั้งหลายจงพิจารณาดังเมืองทุกเป็นของกาหนดรู้ ความทะเยอทะยานสมุทัยเป็นของคนละเมื่อพิจารณาทุกขเป็นอารมณ์อยู่ความทะเยอทะยานในโลกธาตุพวงก็เบาลงเองสมุทัยและตัณหาความทะเยอทะยานในโลกธาตุพวงก็เบาลงเองเพราะอะไรก็เพราะพิจารณาทุกขอยู่เพราะเพราะพิจารณาอนิจจังอยู่เห็นทุกขก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นวันยังค่ําก็เห็นโลกวันยังค่ําเห็นอยู่ ทุกลมปานก็เรียกว่าเห็นโลกอยู่ทุกลมปานปราณเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าดินน้ำไฟลมเป็นแต่สักว่าสังขารอยู่ไม่มีการวันอังคืนก็เรียกว่าเห็นธรรมชั้นสูงศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงจะเส้นความสงสัยในโลกทั้งปวงจะละอาในความหลงของตน จะละอายในความหลงของตนที่เคยหลงมาจะเบื่อหน่ายความหลงของตนที่เคยหลงมาจะสังเวชสมเพศของตนที่เคยหลงมาหลงหนังหุ้มอยู่โดยรอบหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงเนื้อหลงเอ็นหลงกระดูกหลงเยื่อเน้กระดูกหลงม้ามหลงหัวใจหลงตับหลงปอดหลงไตหลงปอดหลงไส้ใหญ่หลงไส้น้อย หลงอาหารใหม่หลงอาหารเก่าหลงน้ำดีหลงน้ำเสลจหลงน้ำหนองหลงน้ำเลือดหลงน้ำเหงื่อหลงน้ำมันค้นหลงเปรียวมันน้ำลายปหลงน้ำมันเปรียวหลงน้ำลายหลงน้ำมูกโรงรักหลงน้ำไข้ข้อหลงน้ำมูดหลงไฟที่ยางกายให้อุ่นหลงไฟที่ยางกายให้ซดโจม หลงไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายหลงไฟที่เผาอาหารให้ย่อยหลงลมพัดขึ้นเบื้องบนลงลมหาวลมเลอะลมอ้วกหลงลมพัดลงเบื้องต่ำหลงลมคือลมภายลมคือลมถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะหลงลมในท่องนอกไส้หลงลมในไส้หลงลมพัดไปตามตัวตามเส้นตามเอ็น หลงอดีตว่าเป็นของตนหลงอนาคตว่าเป็นของตนหลงปัจจุบันว่าเป็นของตนหลงคำนึกคำคิดว่าเป็นของตนไอ้ที่แท้ก็คือสังขารนั่นเอ ง, ออ ก, งก็คือวกคีสังขารก็คือกิตตสังขารนึกแล้วจึงพูดก็คือกิตตสังขารหรือวกคีสังขารพูดแต่ละคำละคำก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไป ไม่คืนมาอีกล่วงไปแต่วินาทีความหนุ่มก็ไม่คืนมาอีกสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ควรกระพิจารณาทั้งนั้นพระโลกไม่มาหลงเรากิเลสไปหลงโลกต่างหากเราไปหลงโลกผมขนเล็บฟันนังเ น, น่เอ็นกระดูกไม่ได้มาหลงเราเราไปหลงสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงจงจัง เมื thinking, ่อไม่หลงกินก็ไม่หลงถ่ายเมื่อหลงกินก็หลงถ่ายก็หลงหิวเองเหมือนกันใครเป็นผู้หิวก็คือสังขารและกองทุกใครเป็นผู้กินก็คือสังขารและกองทุกใครเป็นผู้พูดก็คือสังขารและกองทุกเมื่อกี้สังขารจิตตะสังขารกายยะสังขารเป็นผู้พูดอยู่อย่างงี้ผู้ฟังใครก็กายยสังขารเมื่อกี้สังขารจิตตะสังขารเหมือนกันนั่ง กรรมนาวัตติโลก้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของใครของมันใครมีกรรมหนักก็เป็นไปหนักใครมีกรรมเบาก็เป็นไปเบาส่วนพระอรหันต์ท่านพ้นจากกรรมไปแล้วอุศนกรรมท่านก็ทําเต็มแล้วอกุศนกรรมคือบาปท่านก็ละพอแล้วท่านก็ข้ามกรรมไปสักได้ไหมเป็นท่าแข่งความหลงเพราะข้ามทะเลหลงแล้ว ก็ไม่เป็นธาตุแห่งความหลงไม่หลงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นศัก์เป็นบุคคลสักทีเห็นแต่สังขารและกองทุกข์ท่านผู้พ้นไปแล้วว่าเราก็ว่าตามสมมุติเขาแต่ไม่ติดอยู่เอาอันนั้นมาให้เราบ้างเอาอันนี้มาให้เราบ้างก็พูดตามสมมุติเขาเฉยๆท่านพู้พ้นไปแล้วนะทุ่มเทโสเป็นโสตายในโลก ทุ่มเทโสเป็นโสตายในมรรคผลในพานอันไหนจะดีกว่ากันใจถึงทางจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสังสารใจถึงทางที่จะเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏฏะสังสารอันไหนจะดีกว่ากันตายช่างหัวมันที่เกิดมีถมไปถ้าเราเห็นอย่างนี้ความเห็นของเราเป็นเครื่องอบอุ่นหรือไม่บาปช่างหัวมัน บุญช่างหัวมันมันไม่เห็นขี่ช่างสู่ผุ้ดีมาดอกถ้าเราความเห็นของเราอย่างนี้เป็นเครื่องอบอุ่นเราแล้วหรื อ, อยังนั่นทำไมจึงไม่เป็นเครื่องอบอุ่นจึงเป็นเหตุให้ชวนชิ้กก็เพราะบารมีของเราแก่กล้ามาแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนบอกไม่ถูกเพราะบางทีไม่ถึงพรุ่งนี้ก็มีนั่นคว่ า, าพรุ่งนี้ แล้วก็พูดคาดคดีเฉยๆวันทิศจันนังคารพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์มันยืนแน่ว่ามันเป็นวันของใครเดือนก็เหมือนกันเมษาพุทธภาเมุนากรกฎาคมพามีนาถามมันดูหรือ ว, ว่ามันเป็นเดือนของใคร ปีคุณชวดทะลุขานเถาะมาลงมาเสงมาเมียไม่เมยเพราะกายเจ้าคุณถามมันดูหรูมันบอกว่ามันเป็นปีของใครถามตาดูหรูมันบอกว่ามันมันเป็นตาของใครถามหูดูหรูมันว่ามันเป็นหูของใครถามจมูกดูหรูมันบอกว่ามันเป็นจมูกของใครถามลิ้นดูหรูมันบอกว่ามันเป็นลิ้นของใครถามกายดูหรูมันบอกว่ามันเป็นกายของใคร ถามใจดูหรูมันว่ามันเป็นใจของใครนั่นนั่นนั่นนันใจใจใจเป็นใจของใครนั่นนั่นเงียบเหตุฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ท่านจึงบอกว่าพิกรณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี่กว่าสักว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขา เป็นเพียงกายานุปัสนาเท่านั้นพิจารณาความสวยอารมณ์สุขทุกขเบญคาเป็นแต่สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุปัสนาเท่านั้นพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี่ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา พิจรณาทําที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทานี้ก็สักว่าทาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัสสนาพิจารณาอย่างไงพิจารณาเพื่อจะพดแอกออกจากความหลงของตนที่ยืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไอ้ที่แท้มีแต่ความทุกข์มีแต่สังขารนักกองทุกข์ ดังสองดังไม่รู้เรื่องภาษาภาคอีสานจมูกของเราไม่ไม่รู้เรื่องเกี้ยงสองเกี้ยงไม่ไม่รู้งามกระดูกเอียงเข้า่ะแต่ว่าพวกภาคพวกภาคกลางฟังไม่ออกหรอกอ่า ผมจิตไปจับดูผมดูสิผมจิตจับดูผมผมผมผมจับดูผมขงไครข้อมันขนขนขนจับโขนของใครข้อมันเล็บเล็บเล็บจับเล <jae>, ็บของใครข้อมันฟันฟันจับฟันของไครข้อมันหนังหนังจับหนังของไครข้อมัน เนื้อเนื้อถัดหนังเข้าไปเป็นชิ้นๆพอกกระดูกไว้เหมือนดังดินทาฝาเอน็นลึงรัดมัดกระดูกไก้กระดูกเอา้าสมมุติว่ารอกหนังออกเชือเนื้อออกล่ากระดูกเมต่ล่ากระดูกเอา้า เยือในกรดู ก, กเหมือนยอดหวายที่เขาเอาไปแค่ไว้ในกระ บ, บอก ม, ม้ามอยู่ที่หัวใจอยู่ในที่ด้านใายอกมีขั้วอันเดียวเหมือน่าม่วงสองผลหัวใจอยู่ที่ดอกบัวตูมคล้ายๆดอกบัวตูมตับอยู่ข้างรัวหัวใจ เป็นแผน่เนื้อสองแผน่นมีสีดำข่ำเหมือนเล่นโคดำผู้มีปัญญาก็มีตับเป็นสองแฉกบ้าสามแฉกบ้าปอดปกุมม้าหัวใจตับอยู่ไตคงจะเหมือนไตไส้ไก่ปอด ไส้ใหญ่ปลายข้างหนึ่งอยู่คอหอยคาบไส้อยู่เแค่นี้ปลายข้างหนึ่งอยู่ทวารหนักทบไปทบมาโคดไปโคดมาเหมือนปลาอะไรเผือกที่เอาไปโคดไว้ในรางเลือดไส้น้อยรัดเหนียวไส้ใหญ่ไว้ที่ทบไปทบมาไส้ใหญ่มียี่สิบเอ็ดคดผู้หญิงก็มียี่บเอ็ดโด ผู้ชายก็มียี่สิบเอ็ดกฎถ้าคนสูงๆใหญ่ๆโตๆมันก็ขวดยาวตามส่วนของใครของมันใส่น้อยเทียรัดเดียวใส่ใหญ่อาหารใหม่กืนลองไปไปปนกับอาหารเก่ากับกระเพาะ อ, อาหารเก่าอาหารเศษที่ทานไปหมดนี่เรียกว่าธาตุดิน มากองไว้นี่ซ่าดเป็นนีช่ไห่านนําใช่ไหมน้ำดีเป็นฝักตัวใต้ตับเนี่ยที่ไม่เป็นฝักเอาไหลซึมซาบลงไปทีเป็นเหมือนน้าข้าวไม่เขียวมากที่เป็นฝักนี่เขียวเนี่ยติดอยู่ใต้ตับนน้ำเสลยขังอยู่เป็นมั่ว อยู่ที่คอหอยกลืนอาหารลงไปก็ไปแหวกน้ํามเสลต์ลงน้าหนองอยู่ตามสัีรบาดแผลน้ําเลือดมีสองอย่างตั้งท่วมม้าหัวใจตับปอดไหลซึมทราบลงไปในม้ามหัวใจตับปอ ด, ปปมมปอดทีละเล็กและน้อยที่เป็นก้อนนอกจากนั่นก็เหมือนนำข้างกลาง ไม่ไม่แต่ผมและผลและเล็บและฟันอันเป็นของแข็งเสียเลือดไม่สามารถจะซึมราบได้น้ำเงือเหมือนน้ํามันงาที่ไหลออกมาในเวลาเรารอดน้ามันข้นก็อยู่ตามจะงอยบ่าและหน้าผากและหลังมือและหลังเท้าเปรี่ยวมันก็คือน้ามันในท้องกระวัง น้ำลายที่เกิดน้ำลายอยู่ใต้ลิ้นไหลออกมากับคุ้งแก้วทั้งสองน้ำมูกไหลออกมาจากทางมันสมองน้ำไข้ข้ออยู่ตามข้อกระดูกน้ำมูดเกล อ, อกจากอาหารใหม่เป็นที่อยู่ของปัสสาวะ คือธาตุน้ำแยกออกแล้วทีนี้ดินนาําแยกออกแล้วทีนี้ยังอยู่สองธาตุทีนี้ไฟที่ยังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยเรียกว่าไฟสี่ออกแล้วแยกไฟออกมากองไว้ที่ แยกธาตลมลมพัดขึ้นบางบนลมหาวลมเลอลมอ้วกลมพัดลงเบื้องต่ำลมหายลมลมถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะเพราะมันดันออกลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวตามเส้นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออก ธาตลมนี่ดินนี่น้าํานี่ไฟนี่ลมแยกออกแล้วใช่ไหตัวเราไปอยู่ทียนไอ้ไม่มีแช่แล้วพราแยกออกแล้วนี่เรียกว่ารูปขันหรือรูปประธาต์หรือรูปปโลกหรือรูปประธร ร, ปป ร, ะรมอนันนี้เกิดขึ้นแล้วแปลว่านั่นแตกสลายเหมือนกันดินก็แตกไปเป็นดินน้ําก็แตกไปเป็นน้ำไฟก็แตกไปเป็นไฟลมก็แตกไปเป็นลม แยกธาตุออกแล้วเนี่ยที่เป็นรู ป, ปรธาตุแยกออกแยกนามธาตุนี่เนี่ยเวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกขเวขาเนี่ยเอาไว้กองหนึ่งซะสัญญาความจำจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโหตพะจำธรรมารมเอาออกไว้เอกเนี่เป็นสองกองสังขานความปรุงแต่งแห่งจิตให้ดีให้ชั่ว แยกออกมาแล้วนามนามังแปลว่าชื่อมันเพราะมันปรากฏแก่ตาปัญญาไม่ใช่ปรากฏแก่ตาภายนอกวิญญาณความรู้ในทางตาตาไปเห็นรูปก็เป็นจักขุวิญญาเกิดความรู้ขึ้นแลีจักขูวิญญาเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นแลียโสตวิญญาณ กลินกระทบจมูกเกิดความรูืขึ้นเรียกขนะวิญญาณรดกระทบลิ้นเกิดความรูืขึ้นเรียกชิวหาวิญญาณโผล่ัพภกระทบกายเกิดความรลืขึ้นเรียกกายวิญญาณธรรมารมเกิดกับใจเกิดความรลืขึ้นเรียกมโนวิญญาณทีนี่บินน้าไฟรมแยกออกแล้วเวทนาก็แยกออกแล้วสัญญาความจํำก็แยกแล้วออกแล้วสังขารความปรุงแต่งแห่งจิตก็แยกออกแล้ววิญญาณความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นคอแยกออกแล้วทีนี่ ตัวเราอยู่ที่ไหนไม่มีเพราะแยกออกแล้วเหมือนศาลาเหมือนโบดเหมือนศาลาเหมือนพุทธิวิหารรื้อออกหมดแล้วคำใส่ชื่อหรือนามว่าศาลาก็ไม่มีคำใส่ชื่อห ร, ร, รือนามว่าบ้านก็ไม่มีเพราะหล้างขาวรื้อออกหมดแล้วรื้อออกเป็นลาดับจนถึงกับเสาคำเรียกว่าบ้านว่าเรือนไม่มีใช่แล้ว น, นามคำรคนก็ไม่มีใช่แล้ว อตาเอากว้างออกนะควักออกควักออกเท่งหูเอาออกเท่งจมูกก็อเอาออกเท่งซัลักษณะที่มันยังอยู่มันจะเป็นยังไงเลีน้นตัดออกเท่งซักลักษณะที่มันยังเหลืออยู่มันจะเป็นยังไงกาย รวมหมดเแล้วออกเท่งซะเลยก็เหลือแต่ใจใจไม่เห็นตัวซะแล้วสินี่เรียกว่าภาวนาเรียกว่าพุทธธรรมสงฆ์อันหนึ่งนะเพื่อจะถอนอัตตานุทิถึงความเห็นว่าตนเสียดินก็ออกไปเป็นดินแล้วน้ําออกไปเป็นาน้าแล้วไฟก็ออกไปเป็นไฟแล้วลมก็แยกออกไปเป็นลมแล้วเวทนา สัญญาสังขาวิญญาณก็แยกออกร้แล้วทีนีควาสมสำคัญว่าตนตัวเราเขาสัตว์บุคคลไม่มีนัทธ์นะเอาวะฟันต่อแล้วเนาะยะาวาริวหาปุราภิเิปุญติสาสรังเอวามีวียตัวทินนางเปตานังอุปกรารปฏิ นิธิตังปิตังตุังคิปเมวะสตมิจตูทัพเพปูเรนตสังกัปปากันโทปะระโสยธามณีิโชตีลาโสยธาสัพพีติโยเยวัจันตสัพปุโขนัพะโยสัพปโรโขวิัสจตุมาเตภวัตตอันตรายโยสกีทีคาโยโขวะอภิวาทนสีนิสานิจังอุจจาปยาโนจัตตาโลธรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพระรัง เออเกือบเกือบได้เกือบครูนึงได้เหมือนพูดไดพูดได้จะเอาด้เกือบได้ลองเ่าองเ่าคูนึง ดวงกระดวงมโนะดวงคิดดวงใจน่ะดวงกระดวงคิดดวงใจ่ะดวงมโนน่ะสีสโลกร้ายมูพันนอบให้ให ว, ดวหัดโลกเให้อายุเพื่เดียวสิสอเอาวะใคร่เอาได้เนี่ยพื่อนพันนวบหวัดโลกเนียเอาอยุเพื่เดียวเสมอาั่งว่าเอาได้น่ พุ้โทธรรมโอสัโก้ทุโทธรรมโอสัโก้เป่ า, า, า, าหัวใจรง่งถังใจหยใจทั้งระดคืพอพระธรรมประสงค์นี่ร่ม่มพันนี้ไม่เดือท่ า, ทาใสออ สติขาดอุ้ยกะไรไม่หนีสติขาดยังชิบอย่างเนี้ยต้กานนั่งับเพียบกระไรเล้วะ่ะนังทำสมาธิเด้นั่งพับเพียบกระไรกนานเนี้ย นั่งมาเพียบมันจะนั่งยังสี่หรอวะกจะนั่งยงสี่กันั่งสี่มันทับกันเนี่เลือดมันเลือดมันเลือดมันบดเดินนั่งยังสี่ก็ได้นั่งสีก็นั่งซ้านี่ก็ได้หรเนี่น้ำเทานั้นน้ำชานี่ก็ได้เรี่ฮะนั่งสี่รับวะมันจินเข่าดูโพดมันกรับแล้ว จะไปที่หัวต่อนี่แหละสมาริหัวต่อโน่นดูได้แล้ว้างหน้าสั่งให้ข้างหน้สั่ง ไอ้มึงโยเฮียนได้รู้ไงอาจาร์มึงจะปฏิยนไส้ได้อาจร์พ่อแม่ห น, นีไประฆาดรงเฮียนรลดก็อาจารว่ า, าแล้วเขาตัวตัววยุ่นนับอาจารย์เดิมนี่อาจารย์เดิมนี่ เดี๋ยวมเห็นก็มันดังมาเนี่ยเหรออ๋อยาหรอกมันบอก่มันจะสร้างมันมันเข้าไปละเอียดมันมันมาปรากฏเห็นเี่ยมันเข้าไปละเอียดแต่มันออกมากหรอเขากำหนดคือเก้าหันอ่ะว่าแล้วมาถามแต่ยาหัวมาเจ็ถามหาไม่เหงเออยาหัวมันห่อ มันมันาฟุ้งซ่านมันกับวัามแล้วมันก็ยู่ซือว่าแต่หว่นซักมันอยู่วนะฮะแล้วใครมาด อุ้ยแ่้วกแก้วอะไรแล้วก็แก้วไปเอามันตัวเก่งหงจักมันสี่ขั้นยกไปยักษ์สี่ขั้นนบอกเออจำไว้เจ้าเสียนอนตายเยอะนี่เปว่าเสถียงนอนมาหลายชาตหลายผมแลายตัวนะเว้ยกระดามันเด้นตัวมันเหงาหนอนนะบ่ ต่อโอ้ยเขาใจเขาใจเ <c oughs> ขาใจสามารถที่หัวตไม <c oughs> <isas> อเป่ยนนนะม่เปลียนไหนยามันกต่ายข้าหันไปเกิดพ่หมาโลกคนละไปเกิดแนพ่พหมาโลกแน่อรกปรกมือ ใส่จะทำใหอยังไหนมีแน่ว่าแบบนึงมันเข่าไปลำมิดอ่อนซ่อนใ้แบบหนึ่งมันบวมันบวาว่อีกันแบบหนึ่งเข่าไปแล้วปั๊บจะเนี้มันก็มิดอ่อนซ่อนมันบามันบวายจัง แบบ yup. นึงเขาไปมันโม่งบุญนม่งพี่หอเหินเดินอากาศได้แบบนึงะว่าดีฮะเข้ามาเหมันเสมมันว่าเ่ห้ม็นมันเซื่อมมันว่าเสื่อมเหรอมันจะเสื่อมยังไง หันเขาออกมันเชื่อมรอสันทั้งวตถยมันแค่นั้นมาเชื่อมเลยโอ้ยสันวะเฮ็ดเฮ็ดยื้อังปับ่เฮ็ดอ่นอรสเฮ็ดื่อน่เฮ็ดยื้อ่พอ่ะเฮ็ดพอดีๆนี่ยเยจะไปเบงันเฮ็ดยอย่ซือกึงันกึงยซือ อ, ออกได้ยุ่เออยามาันมันมีสติยุ้ยครับเออตอนนี้มันดีแล้วได้แค่ท่านั้นเก่าแล้วสิจะได้หลังนีก็มันเห็นมัน ย, ยู้มันดีเส่อมังไงเท้าหันเกงเขาออกมันเสีมร่แต่เท้าว่ตายมันยังมาเสี ม, มนเน เฮ็ดเฮ็ดยื้อังสดไปเ็ยัป็นเฮท่อนอด้วยนะสเฮ็ดทีอหนอเฮ็ดยสพ่อือว่าอะไรเฮ็ดพอดีดีนี่ยัดจะไปเบงมั่นเฮ็ดย้จะซื้อยัดไปกึงมัน่ให้กึงยื้อซือ ได้ยู่เออยามันมันมีสติยู้ค่ะเออแล้วเนี้ยมันดีเนาะได้แค่ตอนนั้นเขาแล้วสิจะได้หลังอันก็มันเห็นมันยู้มันแม่นแล้วมันเข้าไปแม่นนะะเจ้าของห้องรักษาเปลี่ยนนื่อเนี่ยรักษาให้มันติดต่ออยู่เนี้ยนะฮะมันลืม เออฮักยกสู้มือนะตัวเอาเอาที่แรกเอาพู้โทบ่ะเออนั่นแล้วเอาเอานันแล้วเอาพุ้โทษน่ะเอาที่แรกพระวาระผ้โทษหลวงปู่พระวาระผูโทที่แรกเอออันมื้อนี้แม่ท้องไผเนี่ว่าสั่อันนี้แม่ท้องไผเนี่ยว่าสั่ง กระห้องพระพเจ้าตัวมือนี่วะันเออนั่นเนี่ยอันเขากินยู่งสูเลยมทาท่องขายห้องพระพุเจ้าตั ว, วสันคันว่าพ่าเป็นคนอกักตันยูกับภาวนาพุโทโธ่พอ่อผมก็มหายใจเขาออกมั่งู้สันเจ้าเป็นคนอกักตันยู่เลยวะสันอันนุ่งห่อกระดูกเจ้าเมื่อนี่ก็เมธะาพระพพุทธเจ้าอ่ะสันินเขาแล้วแม่ทองกม่เมธะของพระเจ้าอ่นั่งอยอะยางนี้กับมกุฏีพระพุทธเจ้า เม่ของเองพุทธเจ้าเขาแม่ท้าพักแต่น้ของเพื่อนาอากาันโยมาแลวลึกถึงคุนมาพุทธเจ้าเอ้ากระว่ายเจ้าดีเจ้ากับโระลึกภูรูอ่ั่งเาปฏิบัติมาไหมเข้ากับระลึกถึงคุนพุทธเจ้าพุทโทษพุทโทษพราะมรวมให้ใจเขาออกแล้วบ้านาตามันออกก็สั่งตาบ้านเียเปียกพัดนะนะดัชนีฐานมันออกก็บ่นะมันเกิดปีตี เออมันเกิดปีตีความเอ็นใจเออเออเออยามดอกเออกับพวนาเปลี่ยนอยู่มันทางบัตเปยนน่คือพรวเปี่ยนอยู่เพนพาวรรเปลียนเหตทนั้นล่ะฮนีเอาว่าพพ่อละอันนู้นน่ะฮะพี่จะน่าทุกได้บ่ฮะนี่จะเล่นมักระลุกก่น ฆาระวังก็ไม่ได <t empl os> ้คือล้มออกล้มเข่ากะฆาระวังก็ไม่ได้ทุกกะฆาระวังก็ไม่ได้บาสนี่ล้มเข่าล้มออกกะเกิดกะดับหาระวังไม่ได้ทุกกะฆาระวังก็ไม่ได้อันว่าเป็นตั๊กว่เป็นมลูกคนกะฆาระวังก็ไม่ได้บาสนี่พี่จหน้าพี่จะบาสนี่ฮะ่มันยังจะสอนอุปทานทั้งหลายฮะเน่ย เออยาวมันเพได้กายมันมันยึดมันบม่ยึดกายมันก็เห็นแต่อันนกนกมันเดียเออก็ยาวมันดอกมันโยสัตว์อันนกนกเราไม่เป็นอันนี้จังอันละเอียดกับน้าอันนั่นแหะอันนกนกนั่นแหะมันเป็นอันคั้วมอหมายมัธยานละเอียดคือพุทโธพุทโธสิผู้ลังคณพูลังคนเพราะกับขิมล้มเราเพราะคำว่าเอาบันพี่ได้บัดพูดได้มันพูว่าพุทผู้ได้มันพูว่าท้ออะทั กุศโลโธมโตเกิดดับเกิดดับยังไงอ่คว่ำบริกรรมมาห้าเกิดดับเกิดดับเกิดดับยุ้ยจะกุศลถ้ากุศลประเสริฐระสงค์ไม่ได้เกิดไม่ได้รับไปใช่ไหมอะไนมันเอามาพะพ้อมันกัดร่ห้แกเขาไม่ใช่เล่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นร่หาจะเขาได้ออกทราบยุ่นนี่แหะเอามาพะพ้อกับไม่ไม่ไม่ม่แล้วบ้านไม่ไม่ไมกับพ่อมกันกับ ลูกเขารับออกไม่ไม่นี่ยไม่ความอักษรยอดด้วไม่ใส่เหาด้ไม่ใส่ของเรลาเลยคาว่าแม่ไม่ไม่ไม่เออออกกระยาบั้นออกหูยาบั้นเป็นกระยาหัววั้มันอันนี้จังเหรอว่าคออกหูกับอันนี้จังร่วมหายขจาใจเขาออกกันดีก็่าไหมอันนี้จังควนึกควคิดนี่กับแม่อันนี้จังล่ะ พอวิจิตรังขาลพอคิดต้ารังขาลก็มันก็คิดเนี่ยว่าแม่สัตว์วันมันมุก้นเข้กันยัง่าสิพิ่ก็น่าเห็มันรู้ตามเป็นจริงวมันสิเอาอันนู้นี่แบ่นี้ผ่านน้ำเสียมันรู้ตามเปนจริงสิพวให้มันยืนอย่างนของเราของเขาของสัตว์ของมุก้นสิปอยมันสิปอยมันดินกับสิปอยให้มันตามเป็นดินน้ำสิปอยให้มนตามน้ไฟกสิปอยให้ตามไฟโลกกัสิปอยให้มเข้าใจบกสิ เยคยจักเติมเยอะลแม่หนอมสอครับอยากคยจักเติมเยอเลยเนี่ย้วกนออุ่นนออาหารเนี่ยว่ามันหนุจัดกามันกันข้าวหน้าเขาแล้วมันก็มาไลยแล้วแต้าเทศรั่วาหามันก็ไล่เนี่เว้ย ถ้าภาวนาเขแล้วเมื่อหลายเดีมีน่อยเดียวนึงอ่ะตตั้งสติเอาปนั้ น, นก็ยุติวันหันแล้วอันนว้กันอัน้กันทาวเขาเท็เนี่ันกหารลงมาปนีหารลงมาคนภาวน่าเ น, นี่ยจมา่วหา นี่นอนพี่เพราะด้เมื่อต้องวันนี้ได้ะละแดงมานอนให้แดงมาหน้าหนันไอ้บุญทรรบุญทรรบุญธรรมอือเอ้ยอ้ ก็สิพักก็หนีบอลนึกสสักไหนีได้ักนีได้หมะเออเออหมดนี่แหะหมดท่มหมดท่อมท่มทนะหมดหมดอ นางวนามันสูดจังสืบอะไรเดยเท่านางขัดสมาธิมันมันกระสูดจังี่บอะไรนางพาวนาแต่น่งสืบแต่นางยังสืบมันอยากวุ่นหนีมันมึนเท่านางสืบอย่างนี้ น oh, ี่เนี่อะไรอะไรนี่นีนี่เ้ามาเข้ามาเข้ามาเมเ้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมา มถ้าโบไมี่เล่าไฮมี่เะดินหน้าค่อยล้มไ่มี่เตทั sure> ้งขาเนี่เพราะเฮดแธมี่เล่าไฮมี่เฮดแธมี่ตทั้งขาแลกองทุบโบเฮดแธมี่เล่า บมเห็ดไถมเล่าเห็ดไถมีแต่ดินน้ำให้่มเหมซื้อแถมีแต่แต่สังขารอย่างเฮ็ดไถมเล่าเรากอไมนสังขารสังขารกับว่ามันเล่าแถมีสติโยชน์สั้นข้อเลมหาใจเขาออกโมมันเล่าแมีแต่สังขารและความทุกข์ อ้หนี้สติไอีสติยู่พอมกันมหสถแห่หีเราภาวนาขันภาวนาเห็นแหี้เราอยู่มันเป่ยเป็นปัจจนาหรือยังเป็นสมถะอยู่เหตุเาห่หีเล่ามันจะคอยมันเปลี่ยนเป็นปัจนาเหตุแห่หีแต่อันนี้จังทุกครังอนัตตาเ่ามันเล่าอยู่นเหกะัมันจะคอยเป็นแม่ม่ัฒนา เขาพุทโทษสัตว่ามันเล่าแปลว่าอนัตาคุณลเมื่เกิดเ่รับกอจจะว่ามันเล่าัพุทโทะมหาอนันตากุศลเมื่เกิดเื่อับเพมันเล่ากุศลเมื่เกิดเมื่อับแล้วสัวว่าทัมโอคือกันสักรโคเทกัน ทหารพระพุทธเจ้าตัวทหารออกจากโลกมูอห่อเกิดมาต้องเป็นทหารผู้ก้อนอะอาทหารออกจากโลกจากส ง, งกครามตัวผมไม่ใช่อาทหารอยู่แล้วโลกเป็นตำรวจผู้ก้อนอะจับผู้หลงจะของเขาเป็นนักเลี้ยนผู้ก้อนอะเลี้ยนว่าหายวันหลงจะของตัว เป็นนายคุ้มนักโทษเฮาเป็นนักโทษนี่แหละกเฮาไม่โทษโลกโกรธโลงเฮาเป็นนายคุ้มี่เอาพระสติพระปญญาเป็นนายคุ้มมันขา ม, ามันมงรั่โลกอันนี้มันมันรัผู้ใดอเฮาหมูเฮาญาติกันนูน ข้านี่ยหวงประเทศชาติบ้านเมอืองไว้หวงไว้พ่อเดี๋ยวปฏิบัติคนทุกซือเลยเดี๋ยวเนี้ย่มันหวงไว้จะเป็นเพศวันนี้ด้ยเนี่ยโ่น่ะพ่อเดีปฏิบัติคนทุกข์ซือเลยข้าแล้ว น, นบตัว้าเขาเจ้าลบล่าขาฟันกันหลายข้าวแนบโอ้ยเทววเทวดาพรอเย็นพร พ, มพรยมระกาลจะตละกูลขบาตรทั้งคืนเลยวะ่าน นูนั่นลบกันเดียวหันพี่ลบพี่ด้วยเดียร์พกคุณพระรมาสงเที่ยวพุเที่ยวดาพรอินทร์พระพพรยระกาจะตโกบาเี่ยสีจงบรรดานให้พี่ไฮรอทั้งหลายสมานมิสมานฉันกันซา่านจะาโรมล่าขาป้นกันจงบรรดานให้พี่ไฮรอทั้งหลายเห็นโทษเห็นไผ่กันท่องเที่ยวในวัตาทองสารให้บรรดานทากันปฏิบัติออกจากกองทุกนาวัตาทองศาลเข้าอธิษฐานด้วยได้เขากระไ ฐานยุทธ์เสมอเมอนอนยุทธมอนอในชีทุกศาสนาจเป็นทุกนายผทาสงครามผู้ได้กะั่ทุกทุกคนกว่าั่ไมผู้ด้ทั่ทุกดอกทมหนีจากกองทุกตะมูเขาว่าสั่งยจมาเอาเวิอพกันอยู่ในวตระสงครามนี่ว่าสั่งใครพิษใครดึกจะมาเอาเงินเอาไพกันไหมแล้วกปล่อยฆ่าางอาวานสกนปูปีกกรคือก ก็เขียดก็คือกัรอาถารต่อการปฏิบัติเพื่อผลทุกข์นามตาท้องสารคนเข้าวันใจถึงก้คนใจถึงทั้งออกจาก วัตรจักรสงสารของมันจังเลยนมันจังถือหักจะของจะสร้างทุกใช้จกของหักจะของหักใครหักหักลูกหักเต่าหักใครหักหน้าหักวักผลนภาคเนี่ยหักพระพุทพระธรรมพระสงฆ์หักผลท่านผลศีลผลพระวหน้าอย่ตัวหักลูกหักเต่าหักใครหักหน้ากย่างตัวเต่าหัหน้า พวกข้าราชการหาลูกักเต่าหัหากราชการพวกขายของหักลูกหักเต่หาหักซึ่งหักของยั้ยตัวไปเรีนเลขเรียนพลาเรียนัดเรียนเบอร์ขันักลูกฮักเต่าหักซื้อหักของห้าวเบียียนลูกเต้าแลยห้าไปเนเลขเรนาเรียนวัดนเบอร์่อเอือนน่เขาไวเท่ารก็ไม่ยั่งข้าไปเรียนเบ็ด <laughs> ายชาสวยเขาเลยนเนาะ ก็ว่าตหาลูกหักล้านภาเขาเรียนเลขเรียนพาเรียนบัตรเรียนเบมเียเรยลูกหลานน่เออตายค่าเ ง, า น, ง, น, งนอยู่เงินยงงินี่ัสนสาพันเอาไปเผาพอเผเมห้ไปไปเรียนเลขอีกวันถ้ามาซแต่เผาสัค่าเงนอยูห่ห <c oughs> ันมดอดเงินอ <c oughs> <c oughs> วันวันติดต่อทุ่นวันจีเจาเอามาอันเทิดบุญพอฮามีธรรมาตาบพ่อแม่เ้ี่ยนดาเป่าในยืมเงินเขามามันไม่แน่วแต่เฮ้าเขาเปลี่ยนทิ้งเคียราออกจะเกิดมากเนี่ยเอาเนซื้อได้ซื้อสลากจินแดงของของของรักใบเดียวเท่านั้นะ รัฐการที่เกศตันเ่าสื่อมันบัสื่อแล้วเลบสื่อจักเทเอารอดนั่นกสุดอันุดข้าเจ้ารียกรนนี่หันเรียนข้าเจ้าเสุดมนี่เนข้าเจ้าจักเทีละสุดรัฐการที่เกศนี่หันเรนข้าเจ้าจักเทีรัการที่สิรัสือสื่อหวยอ่ะบาทยาวท่านละ โอ้ยเยยสียใจย่วสันต์เงินบาทกี่กี่ <laughs> บาทแห้งแฝงก็ถือเกลียกตัวนี้กับว่าถือเอะใจก่อน่ซื้อใบละบาทเออไม่ใช่ใบละบาทคือถั <laughs> น, น่นอนว่าว่าประเเสียจักเสือเฮาแล้วเอาประาตร์ก็หาย โอเอาซุ้มนี่กยย็ได้กมุนิมนล่ะหมอนหมอนกัหมอนกเอาเยื่นะหันกี่ยหมอนะภาวนาคนเดียวไม่ได้เอามากเปนจะาสักวารู้เป็นจะาัก ว, า, กเเกวาเห็นภาวนาคนเดียว เราไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ผู้เห็นผู้เห็นไม่ใช่เราเป็นแต่สาวกรู้เป็นแต่สาวกเห็นข้ <c oughs> อหน้าอยู่คนเดียวไ่ได้เอาหลายนะ <c oughs> อกอรกขมยพพ่ตามปริยัติรกรอกขโมยบรทพาจากอวงพ่ว่าหน้าไม่ได้เอาหลาย เ, ยเอาอันเดียวเท่า น, นะน้นียังรอดร่วมหรร่วงก็สร้างเอาอันเดียวท่น ก็เดีสงสัยทั้งทั้งหลายมันรวมอยู่แล้วมันเป็นอันนี้จังรวมอยู่แล้วมันเป็นทุกรวมอยู่แล้วมันเป็นอนัตตารวมเยอะแล้วห้องวยอมร่วมเลยล่ะแตว่าดินน้ำใครร่มก็ร่วมกันอยู่แล้วเ้อง ว, วยอมรวมนะมันว่า <c oughs> ควบเกิดควบดับมันจะเกิดดับอยู่แล้วเกิดดับอยู่แล้ว เราสอนพระบรมศาสนาสอนให้เรารู้ตามเป็นจริงเมื่อเรารู้ตามเป็นจริงตอนไหนเราก็ซึงความสองสัยตอนนั้นข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงข้ามผู้รู้ด้วยความไม่สําคัญตนไม่เป็นผู้รู้ข้ามเมทนาด้วยสําคัญตันไม่เป็นเมทนา ข้ามสัญญาไม่สำคัญว่าเป็นสัญญาไม่สำคัญว่าสัญญาเป็นตนข้ามตัวตนเราเขาไม่สำคัญว่าตัวตนเราเขาเป็นเราข้ามอัตตาไม่สำคัญว่าอัตตาเป็นเราเราเป็นอัตตาข้ามอนัตตาไม่สำคัญว่าอนัตตาเป็นเราเราเป็นอนัตตาไม่สำคัญว่าเราเป็นสังขารไม่สำคัญว่าสังขารเป็นเราไม่สำคัญว่าสังขารเป็นคนอื่นไม่สาคัญว่าคนอื่นเป็นสังขาร ข้ามธรรมารมณ์ไม่สำคัญว่าเราเป็นทรรมอามณไม่สคัญว่าธรมอารมเป็นเราข้ามหูด้วยสำคัญตนไม่ใช่หูไม่สำคัญหูเป็นตนข้ามตาไม่สำคัญว่าตาเป็นตนตนเป็นตาข้ามลูกไม่สาคัญว่าตนเป็นูกลูกเป็นตนนะ ข้ามอาดีตไม่ส e ําคัญว네่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตข้ามอนาคตไม่สําคัญตนเราเป็นอนาคตไม่สําคัญว่าอนาคตเป็นตนข้ามผู้รู wow. <sh> ้ไม่สําคัญว่าผู้รู้เป็นตนไม่สําคัญว่าตนเป็นผู้รู้ไม่สําคัญว่าพระนิพ涅槃เป็นตนไม่สําคัญว่าตนเป็นพระิพ涅槃ไม่สําคัญว่าวิมุติเป็นตนตนวมุตเป็นวิมุติ ไม่สำคัญว่าศูนย์เป็นจนจนเป็นศูนยะ์นักถ้าไม่สําคัญสิ่งใดๆแล้ววิญญาณปฏิสัทธิของท่านเหล่านั้นก็ไม่มีที่เกิดวิญญาณปฏิสัทธิก็ดับไปณนะที่นั้นเองวิญญาณดับไปก่อนนามรูปจึงดับไปณนะที่นั้นเอง ไม่สำคัญตนเป็นวิญญาณไม่สำคัญวิญญาณเป็นตนก็วิญญาณก็ดับไปณนะที่นั้นเองไม่สำคัญว่าอาดีตอนาคตเป็นตนตนเป็นอดีตอนาคตความทะเยอทะยานในอดีตอนาคตก็ห้าเบรกลง เมื่อความพยายามในอดีตเลาค่อท่าเบรกลงทุกทางใจก็เบาลงนะเมื่อไม่สำคัญว่าตัวได้มันก็ไม่สำคัญว่าตัวเสียเหมือนกันนะถ้ามันสำคัญว่ามันได้มันก็ต้องสำคัญว่ามันเสียนะยินดีนะพระนิพานชนะความยินดีทั้งปวงท่านทุกคนไปแล้ว ท่านมีความยินดีไหมในความชอบใจไหมท่านก็ต้องมีความชอบใจอยู่แต่ท่านไม่ติดอยู่ใครว่าท่านผู้พ้นไปแล้วชอบใจบาปท่านไม่ชอบใจใครว่าพระอรหันยินดีในบาปไม่มีท่านพ้นไปแล้วเราไม่มีของเราไม่มีท่านผู้อื่นไม่มีของท่านผู้อื่นไม่มี เพราะมีแต่สังขารละกองทุกข์เพราะมีแต่อนิจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายถ้าเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันจะไปขี้หึงใครเรานั่นเราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีนี่สังขารศูนย์ในเงื่อนสี่สังขารศูนย์ในเงื่อนสองเราไม่มีของเราไม่มีสังขารศูนย์ในเงื่อนหนึ่งไม่ใช่เรา ถ้าไม่ใค่เราแล้วของเราจะมีมาจากประตูนั่นนั่นนะก็มีแต่สังสารและกองทุกข์ก็มีแต่ทําฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็มีแต่ทําฝ่ายไม่เกิดไม่ดับทำมีอยู่สองอย่างทาฝ่ายเกิดฝ sure> ่ายดับทําฝ่ายไม่เกิดไม่ดับธาตุมีอยู่สองอย่างธาตุฝ่ายเกิดดับธาตุฝ่ายไม่เกิดไม่ดับขันฝ่ายเกิดดับขันฝ่ายเกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ดับคือมีมุดแค่ขัน รูปอดีก็ดีรูปอนาคตก็ดีรูปปัจจุบันก็ดีรูปในที่ใกล้ก็ดีรูปในที่ไกลก็ดีเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงซักพระบรมศาสดาก็เป็นแต่สักว่ารูปเวทนาในอดีตก็ดีเวทนาในอนาคตก็ดีเวทนาในปัจจุบันก็ดีเวทนาในที่ใกล้ก็ดีในที่ไกลก็ดีเป็นแต่สักวาเวทนาเธออย่าไปยึดถือนะนะพ ร, ระศาสดา สัญญาก็เหมือนกันสังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันสิ่งเรานี้รวมลงมาในปัจจุบันแล้วปัจจุบันในโลกปัจจุบันในสังขารเมื่อไม่สงสัยในปัจจุบันอดีตตอนนั้นนั่นเขาไม่สงสัยอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยปัจจุบนาอนัตตาเมื่อปัจจุบันไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วอดีตอนาคตจะเป็นตัวตนเราเขามาจากประตู น, นี้น เมื่อตัวกูไม่มีนะของกูจะมีมาจากประตัไหนน่ะพุทธทาสท่านพูดไม่มันไม่ผิดของท่านอานุนอ น, นอุ น, นเอาหน้ามาให้เราดื่มเราก็หายนักปูผ้าสังขารติลงให้เป็นสี่ชั้นเราจับเอ็นกายระงับความกวนกระวายสักหน่อยทำไมถึงว่ายอย่างนั้น ทำาไมว่าอย่างนั้นพระอนนท์ก็ไม่รู้จักความหมายถ้าเราเทียบประมัดเราจะเทียบยังไงอนนท์เอ๋ยรถคันนี้มันเดินมานานแล้วม่อนหน้ามันหมดแล้วเธอไปตักหน้ามาใส่รถคันนี้ซะค่ายเขาพูดอย่างนั้นเครื่องมันร้อนให้มันพักสักหน่อยค่ายกับท่านพูดอย่างนั้นเขาบอกเรามาศาสาชาติกศักริ์ อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายาไปคนเดียวเลยอยู่คนเดียวเลยชาติกษัตริย์ฉันอาหารในบาทล่าบาทเองกินเองไปเองแต่พวกเราคอบวชแล้วก็หายมอุปถาคด้วยแต่ท่านไม่มียมออมุขถาเลยพราะว่าเรามปนศาสดาเอ๊ะ พอแทนมรดกของท่านบอกเราวันนี้มุนีก็แทนมรดกของพระบรมศาสดาน่ะมิตรเธอของท่านฝนฝนเศร้าเราบ่น้อฝนตกปรยโยอือืมไปเป็นซุกเป็นซุกนะอ่าเป็นซุกเป็นซุกสุกกายซุกใจซุกในผนิภ่าสุกกายซุกใจซุกุกไม่มีโลมไม่มีกดไม่หลงซุกุกุกไป โมเห็นโทษในโลภในโกรธแน่หลงจังไรเสีละโลภโกรธหลงไหอโมเห็นโทษได้ไฟจังไรเสีเศ้าจับไฟได้บมเห็นโทษได้เกิดเท็จจังไรเสีบ่มาเกิดมองสังโ่เห็นโทษในแก่บ่เกิเสียมาแก่ชำเก่ามเห็นโทษน่เก็บมันกเสีมาเก็บําเก่าโมเห็นโทษแน่ตายบเกิดสมาตายชำเก่ามเห็นโทษในเว้นแน่ไฟเห็นไรเสียะเว้นไฟได้องจังว่า บอกว่าันกับพอ่อหรอกผมบอกถ้ามันยืนยันว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตถ้ามันยืนยันว่าวิญญาณเป็นเราเราเป็นวิญญาณมันก็ไปเป็นวิญญาณปฏิสนธิอีกไง